พวกคณะมาจากไหนเน mm ี hmm. mm ่ยไอ้ยินว่าผู้บริหารใหม่ว่างั้นบริหารใหม่มาจากไหนอะอะอ๋อจากเขตหนึ่งอุดรเมื่อเดือนกรกฎาเขตสี่เข้ามานะเขตสี่เข้ามาวัดตรวงพ่อแต่ไม่รวดได้ผล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 สพอปอสอพอปอเขตสี่บันผือน้ำโสมนายยงกุดจับสี่อำเภอเห็นกูบายการคณะผู้บริหารมาทลงพ้อ อ, อันนี้คือเป็นผู้นำของชุมชนกูบายการเป็นผู้นำของชุมชนทำไมจึงว่าเป็นผู้นำเพราะว่า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 แล้วมันจะห่มห่มห่มมาทุ ก, ทกสาระทิศหลงพ่อท้อไม่ได้แน่แน่คณะครูบาอาจารย์มาเนี่ยหาที่หลับที่นอนที่พักก็ไม่พอถ้าฝนตกแย่เลยเนี่ยแล้วนะเดี๋ยวหลงพ่อจะเสกคาถาหลงพ่อก็เลยเสกคาถาตั้งแต่เดือนวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมวันที่ยี่สิสามกรกฎาคมยี่สบสองยิบสามครูบาอาจารย์เข้ามา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 ถ้านคนที่ปุงฟุ้งมากๆจนจะติลั้งไม่อยู่อันนันกายเป็นบ้าไปได้เป็นประสาทไปได้ไง่ายๆเพราะเหตุอะไรเพราะมันใจของเรามันกระจายมันฟุ้งแล้วเราจะจะทำยังไงจึงจะให้มันรวมเป็นหนึ่งนี่แหละหลักของพุทธศาสนา พ, พุทธเจ้าท่านไปปนขวาศึกษาอยู่ที่โคนต้นโพปคนคว้าศึกษาหกปีีที่พุทธคยา